เพราะคนจีนไม่ไม่ค่อยน่าห่วงคนประเทศอื่นเนี่ยไม่มาเรียนศาสนาพุทธมันไม่เหมือนคนจีนคนจีนเน้นเรื่องปัญญาเข้ากันได้ครับสิ่งที่หลวงพ่อสอนอย่างฝลั่งชอบนั่งสมาธิคิดว่าปัญญามีอยู่แล้ว ทางที่ไม่มีปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมไม่เหมือนกันปัญญาทางโลกนะความฉลาดรอบรู้อะไรพวกนี้ไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกข์มันช่วยเราอยู่ในโลกได้สบายหน่อยเท่านั้นบางคนฉลาดแต่ไม่มีสิ่งมีธรรมนะ ก็ไม่ค่อยมีความสุขจริงปัญญาทางธรรมเนี่ยถ้าเรียนแล้วใจเรามีความมั่นคงยิ่งฝึกไปเรื่อยๆชีวิตจิตใจเรามันเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองมันมีความสุขจะจนหรือจะรวยก็มีความสุขนะะ เกิด อ, อะไรขึ้นในชีวิตเราก็ยังมีความสุขอยู่ได้เจ็บป่วยขึ้นมาคนทั่วไปที่ไม่ได้เคยฝึกกรรมฐานเจ็บป่วยขึ้นมาก็จิตใจเศร้าหมองในขณะที่พวกเราที่ฝึกกรรมฐานเจ็บป่วยเราเห็นร่างกายมันป่วยใจเราไม่ได้ป่วยด้วยเพราะกายกับใจมันคนละอันกันนี่เราค่อยฝึกนะแยก สิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆไปร่างกายไม่สบายจิตใจก็ยังสบายอยู่ได้หรือชีวิตเราเจอเรื่องผิดหวังสามีพัญญาเรานอกใจอะไรเงี้ยเราผิดหวังคนทั่วไปจะทุกข์มากพอเราทุกข์นิดหน่อยเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นเป็นเรื่องธรรมดา อะไรๆก็ไม่เที่ยงในชีวิตนี้ไม่ทั้งชีวิตสมรสชีวิตที่ดีอะน้นอย่างนี้ก็ เ, เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเหมือนกันอย่างเด็กไทยยุคนี้นะติดยากันเยอะติดยาติดเพื่อนติดอย่างเงี้ยแล้วก็มั่วสุมทางเพศอะไร่งเงี้ย แต่พ่อแม่ไม่ได้ภาวนาก็กลุ่มใจลําบากถ้าภาวนาเราจะรู้กระทั่งลูกเราเราก็บังคับไม่ได้ทำไมลูกเราเราบังคับไม่ได้กระทั่งร่างกายจิตใจของเราเรายังบังคับไม่ได้เลยเราจะไปบังคับคนอื่นได้ไงเนยเรียนธรรมะนะให้เห็นความจริงในร่างกายในจิตใจของตัวเองบ่อยๆ พอใจมันยอมรับความจริงร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายอมรับได้คราวนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยจิตใจไม่เศร้าหมองไม่ต้องคอยรักษาจิตใจเลยนะเราไม่ต้องคอยรักษาใจสติสมาธิปัญญานะั้นจะมาช่วยกันรักษาใจของเราเอง นจิต ท, ที่ฝึกดีแล้วนะมันมีความสุขอยู่ในตัวเองอะไรมากระทบนะสติสมาธิพัญญาทางานขึ้นมาแทนกิเลสตัวที่ทำให้เราเดือดร้อนกงนังวลทุกข์ใจอะไรพวกนี้ก็คือกิเลสเท่านั้นแหละมนแอบเข้ามาอยู่ในใจเราแล้วเรามีสติรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทัน ใจเรามีสมาธิตั้งมั่นเป็นคนดูจะเกิดปัญญาเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันบังคับไม่ได้แต่ท่านกิเลสเกิดขึ้นนั้ะพอเรามีสติรู้ทันกิเลสก็ดับนะเราไม่ต้องไปดับกิเลสกิเลสดับเองพอใจเราฟุ้งซ่านเราเห็นใจที่ไหลไปใจเราฟุ้งซ่านใจมันไหลไปนะ เรามีสติรู้ทันใจที่ไหลไปสมาธิก็เกิดเองแล้วเราเห็นบ่อยๆเดี๋ยวจิตก็ไหลไปคิดเดี๋ยวจิตก็ไหลไปดูเดี๋ยวจิตก็ไหลไปฟังเดี๋ยวจิตก็ไหลไปดีไหลไปชั่วะสารพัดไหลไปสุขไหลไปทุกข์เราเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสุดท้ายปัญญามันเกิดรู้ว่าจิตเนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรา ถ้าเมื่อไรพวกเราภาวนาจนเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานะเราจะเข้าใจธรรมะเบื้องต้นเพราะว่าจิตนี่คือสิ่งที่เห็นยากที่สุดมันละเอียดมันประณีตแล้วการที่เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเป็นของง่ายคนนอกศาสนาพุทธเขาก็เห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเพราะว่ามันเห็น เห็นคนอื่นแก่เห็นคนืเจ็บเห็นคน่นตายบ่อยๆใจมันยอมรับความจริงได้ไม่เห็นง่ายร่างกายว่าไม่ใช่เราสิ่งที่เห็นยากที่สุดว่าไม่ใช่เราคือจิตเราเนี่เองเราสังเกตไหมในนี้มันมีความรู้สึกว่าเป็นเราอยู่อย่างหนึ่งเรารู้สึกว่าเราตอนนี้กับเราตอนเด็กๆก็เป็นเราคนเดิมหน้าตาเราไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ใจเราเป็นใจคนเดิมนะ ้ stomach, ใจเราพรุ่งนี้ใจเราปีหน้าใจเราชาติหน้าเราก็รู้สึกว่าเป็นใจคนเดิมเนี่ยมันเห็นว่าจิตเนี่ยคงที่จิตนี้เป็นคงเที่ยงจิตนี้เป็นตัวเราเมื่อเห็นอย่างนี้นะก็เห็นผิดที่ต้นต่อเลยถ้าเราเห็นว่าจิตเป็นเรานะต่อไปของอื่นมันก็เป็นของเราไปด้วยอย่างเราเห็นว่าจิตเป็นตัวเราเนี่ยพอรู้สึกในร่างกายรู้สึกว่านี่ร e hey, ่างกายของเรา นี่ทรัพย์สินเงินทองของเรานะมันจะค่อยๆแพ่ความเป็นเรากว้างก ว, วางออกไปเรื่อยๆต่อไปนี่ประเทศของเรานี่าศาสนาของเรา อ, อะไรของเราเยอะแยะไปหมดนะแต่ถ้าเห็นว่าจิตไม่ใช่เราไม่มีเจ้าของเลยจิตไม่ใช่เรานะของเรามันก็ไม่มีถ้ามันไม่มีตัวเรามันก็ไม่มีของเรางั้นการที่เห็นว่าจิตเป็นตัวเรานี่มันเป็นรากเง่าเป็นต้นต่อนะ ทำให้ขยายความรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยกว้างขวางออกไปเรื่อยๆบางคนเน้่ยึดถือเยอะยึดถือมากได้ค่อยๆสังเกตที่จิตใจถ้าวันใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะโลกทั้งโลกจะไม่ใช่เราละ่ะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคนทั่วๆ่วไปนี่ยังรู้สึกว่าร่างกายเป็นตัวเรานะ แต่พอเรามาหัดภาวนากายกับใจแยกจากกันร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้เนี่ยมันจะพบว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ร่างกายเป็นของเราจิตเป็นเจ้าของจิตเป็นคนรู้เนี่ยมันเป็นเจ้าของร่างกายงั้นร่างกายลดสถานะลงจากเดิมเป็นตัวเราเพราะกายเป็นแค่ของเรามันห่างออกไประหว่างตัวเรากับของเราเนี่ยไม่เท่ากันรู้สึกไหมความสาคัญไม่เท่ากัน อย่างตัวเราเนี่ยตัวเราสําคัญมากของเราเนี่ยยังยอมเสียได้ยังเวลาไฟไหม้ไฟไหม้บ้านของเราเราก็วิ่งหนีออกจากบ้านทำไมวิ่งหนีออกจากบ้านเรายัางรักษาตัวนี้อยู่ <S <S เรารู้สึกนี่ตัวเราคนทั่วๆไปนะ <S 1> <S 1> <S 1> เห็นร่างกายเป็นตัวเราอยู่ในพเรามาภาวนาเรามาปฏิบัตนะิเราก็เห็นว่า ร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นแค่ของเราเหมือนเป็นบ้านบ้านเนี่ยเป็นที่อาศัยของร่างกายร่างกายเป็นที่อาศัยของจิตอาศัยกันมาเป็นทอดๆพอมีปัญญาขึ้นมาเห็นบ้านไม่ใช่ตัวเราเป็นบ้านของเราพอเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเราทิ้งบ้านได้เ อ, เอาตัวเรารอดไปก่อนเอามาพานาละเอียดขึ้นเราเห็นว่า ร่างกายเป็นแค่ของเราไม่ใช่ตัวเราแล้วจิต ท, ที่เป็นคนหาศัยอยู่ในร่างกายเนี่ยคือตัวเราจะรู้สึกอย่างนี้เป็นชั้นชั้นไปเนื้อร่างกายก็เหมือนบ้านของจิตเวลาบ้านนี้แชมรุดซุดโสมอยู่ไม่ได้นะจิตมันก็ไม่เอาเหมือนกันจิตมันก็ทิ้งร่างกายนี้ไปเหมือนกันมันหนีเอาตัวรอดอีกอย่างเวลาร่างกายไม่สบายมากๆาะ หลวงพ่อเคยเจอนะเปรียบหลวงพ่อเองอะ่ะเขาเป็นโรคโรคอะไรเขาเรียกอะไรเป็นเบาหวานแล้วไตาวายต่อด้วยไตายวายเราก็เจ็บมากนะนอนเขยา่าลูกกลงของเตียงพยาบาลนะเตียงในโรงพยาบาลมันมีลูกกลงเหล็กข้างๆเขย่าว่วาอะไรจะตายสักทีบ่ยโมโหแล้วอยากตายนะั้วว่าอะไรไม่ชอบร่างกายนี้แนะ บ้านนี้อพังแล้วบ้านนี้อยู่ไม่สบายแล้วบ้านนี้อยู่ไม่สบายอยากไปหาบ้านใหม่ไอ้เจ้าของบ้านคือจิตมันอยากเปลี่ยนบ้าน <c oughs> นี่ถ้าเราพาวนาต่อไปอีกนะรู้ลึกซึ้งเข้าไปอีกเราเห็นอีกนะจิตก็ไม่ใช่ตัวเราอีกแล้วเพราะอะไรจิตก็เป็นของถูกรู้ได้จิตดีรู้ได้ไหมจิตชั่วรู้ได้ไหมจิตสตุกรู้ได้ไหมจิตทุกรู้ได้ไหม จิตไปดูรู้ได้ไหมจิตไปฟังจิตไปดมกลิ่นจิตไปริมรสจิตไปรู้สัมผัสทางกายจิตไปคิดนึกทางใจเนี่ยเรารู้ได้ทั้งหมดเลยจิตนี่ก็เป็นของถูกรู้เหมือนกันสุดท้ายมันก็เห็นว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเราจิตก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกรู้เหมือนกันตัวเราจริงๆไม่มีตัวเราเป็นแค่ความรู้สึกหลอกๆเท่านั้นเองพอเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราซะตัวเดียวนะโลกทั้งโลกจะไม่เป็นตัวเราละ เ็รามันเริ่มมาจากเห็นจิตเป็นเราก่อนนะก็เลยมีร่างกายเป็นของเราถ้าโง่ามากขึ้นก็เห็นว่าร่างกายเป็นตัวเรานะแล้วก็ขยายความเป็นเจ้าของออกไปอีกนี่บ้านของเรานี่ลูกเมียรเรานี่ครอบครัวของเรานะมีของเรามากมายมีตำแหน่งหน้าที่การงานของเรามีทรัพย์สมบัติของเรานะมีชื่อเสียงของเรานี่เรากว้างๆวางออ นี่คนทั่ไปไม่รู้ไม่รู้นะความเป็นเราก็แผ่ออกไปกว้างเลยก็รับภาระมากอะไรๆรก็เป็นตัวเราเป็นของเราไปหมดนะมันก็มีภาระที่ต้องดูแลมากมายนี่ถ้าเรามาหันแยกไปนะทรัพย์สินเงินทองของข้างนอกนะเราก็ยืมโลกมาใช่หรอกวันหนึ่งถึงี้เราจะรวยแค่ไหนมีเงินมากแค่ไหนวันหนึ่งเราก็ต้องคืนให้โลกไป คนอื่นเขาก็มาเอาไปใช้ต่อหรือบ้านเราเราซื้อมาราคาแพงเป็นหนี้เป็นสินนะซื้อบ้านมาได้เราคิดว่าเราจะอยู่ได้ตลอดเราก็อยู่ได้ไม่ตลอดมันเป็นของเราที่แท้จริงที่ไหนถึงวันหนึ่งเราก็ไม่ได้อยู่บ้านนี้บางทีเราก็ย้ายบ้านไปบางทีเราก็ตายไม่ได้ครอบครองคนอื่นเข้ามาครอบครองบ้านของเราแทนบางทีศัตรูเราคนที่เราเกลียดนั้นนะมันมาเป็นเจ้าของบ้านเรา หรือบางคนนะนี่เมียเราเขาตายไปปุ๊บนะเมียก็มีสามีใหม่ละคนอื่นมาครอบครองเมียเราอีกละนมีลูกลูกของเราพอลูกเราแต่งงานไปนะลูกเรามีเจ้าของแล้วเราไม่ได้เป็นเจ้าของลูกแล้วมีเจ้าของใหม่ละมันเชื่อเมียมากกว่าเชื่อแม่นะเพลินนี่ เนือ่อนของที่เราว่าเป็นของเราของเรานะวันหนึ่งความจริงมันก็ฟ้องว่าไม่ใช่ของเราหรอกถ้าเราอยากคิดว่ามันเป็นของเราพอมันหลุดมือไปเราก็เสียใจใจิตใจเราก็มีความทุกข์ถ้าเราภาวนาเราเห็นความจริงว่าของทั้งหลายมันของนอกทั้งนั้นเลยของข้างนอกทั้งนั้นเลยนอกจากอะไรนอกจากจิตที่ไปนคนไปรู้เข้ามันเป็นแค่ของเรานะชั่วคราว ถึงวันหนึ่งมันก็หลุดมือเราไปแล้ว เ, เอาไว้ไม่ได้กระทั่งร่างกายของเราใช่ไหมร่างกายก็ของเราถึงวันหนึ่งก็อยู่ไม่ได้หรือบางทีเจ็บป่วยนะเป็นเบาหวานต้องไปตัดนิ้วอยู่ๆมาตัดนิ้วเราเราไม่ยอมนะเรารักนิ้วของเรามากนิ้วเท้าอะไรเงี้ยก็เป็นเบาหวานนิ้วมันเน่านะเรายอมให้หมอตัดแนละ้วอั น, นี้เพื่อจะรักษาของเราที่เหลือร่างกายส่วนที่เหลือยังเป็ดของเราอยู่ เนี่ยใจมันจะมีแต่ความทุกข์นะในการที่จะคอยรักษาของเราเราก็พยายามทําตัวเราคือใจของเราให้มีความสุขเนี่ยเป็นภาระมากมายเลยเนี่ยเรามาหัดเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจไปเรื่อยๆเราเห็นในร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายก็ไม่ใช่ของเราร่างกายมันเคยบอกไหมว่ามันเป็นตัวเราลองจับมือดูซิลองจับดูนะจับแขนเนี่ย แขนมันบอกไหมว่าแขนคือตัวเราแขนไม่ได้บอกใช่ไหมใจเป็นคนคิดขึ้นมาว่านี่แขนของเรานั้น ร, ร่างกายเองเนี่ยมันไม่ได้สําคัญมั่นหมายว่ามันเป็นของใครนะมันไม่ได้เคยสําคัญมั่นหมายว่าเป็นของใครเลยจิตใจเราต่างหากไปสําคัญมั่นหมายว่านี่คือตัวเราถ้าพอน่าเก่งขึ้นก็นี่แค่ของเราไม่ใช่ตัวเราแล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นของเราะ เนี่ยภาวนาดีขึ้นดีขึ้นนะไปส่อไปไม่เห็นจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะจิตเนี่ยบังคับไม่ได้จริงร่างกายเนี่ยเราเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราเนาะเพราะเราบังคับมันไม่ได้มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายอะไรเราบังคับมันไม่ได้เราเห็นซ้ำซ้ำซ้เข้าไปเรื่อยนะในส่วนเราก็รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วดูจิตใจเราก็เห็นจิตใจเนี้ยเค่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วะ เราบังคับไม่ได้เราควบคุมไม่ได้สุดท้ายปัญญามันก็แทงตลอดลงมาที่จิตใจนี่เห็นว่าจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราพอจิตใจไม่ใช่ตัวเราตัวเราจะไม่มีแล้วสิ่งที่ยึดเหนี่ยวว่าเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดก็คือจิตใจนี่เองเพราะฉะนั้นการที่เราคอยมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจเห็นไตรลักษณ์ของกายเห็นไตรลักษณ์ของใจนะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราจะค่อยค่อยปล่อยออกไป ค่อยๆวางเริ่มจากความกายออกไปเพก่อนเห็นว่ากายไม่ใช่เราะต่อมาก็เห็นว่าจิตไม่ใช่เราพอจิตไม่ใช่เราแล้วในโลกนี้ไม่มีเราอีกละมันจะรู้อย่างนั้นเลยแจ่มแจ้งขึ้นมาะถ้าจิตเป็นเราเนะ่เดี๋ยวมันก็ขยายความเป็นเราเออกไปที่กายขยายความเป็นเราเออกไปเรื่อยๆะพอเกินขอบเขตที่จะเป็นเราได้ก็เป็นของเราคนทั่วไปจะรู้สึกว่าร่างกายคือตัวเรา ถัดจากนั้นก็เป็นของเราแล้วนี่เสื้อผ้าของเรานี่ครอบครัวของเรานี่บ้านของเรามันจะเป็นของเราไปเรื่อยๆใหญ่ขึ้นไปก็ประเทศของเราพวกรลางชาตินี่ศาสนาของเราใครมาว่าศาสนาของเราแล้วโมโหโกรธอยากฆ่ามันให้ตายสลาชีวิตเพื่อศาสนาเพื่อพระเจ้าี่จริงไม่ใช่ของใครของโลก ทุกอย่างมันของโลกกรทั่งร่างกายเรา่าของโลกร่างกายเราเกิดมาจากเชื้อพันธุ์ของพ่อของแม่เห็นไหมเชื้อพันธุ์ของพ่อของแม่ก็ไม่ใช่ของเราพอเรามีร่างกายขึ้นมาเราก็ได้อาศัยสมบัติของโลกอาศัยน้ําอาศัยอากาศอาศัยอาหารของโลกมาเลี้ยงตัวนี้เราก็คิดตู่ว่าเป็นของเราเองที่จริงเป็นของโลกยืมโลกมาใช้ถึงวันหนึ่งก็ต้องคืนให้โลกไปคืนให้โลกไป ก็ลกลแตกสลายเป็นาธาตุกลับไปคนอื่นเอาไปใช้ต่อคนอื่นสัตว์ถืเอาไปใช้ต่ออย่างร่างกายเราเนี่ยเพราะว่าตัวเราของเรากนะ็ตายไปเอาไปฝังเอาไปเผาอะไรนะเป็นวัตถุเป็นข้อาธาตนะุต้นไม้เราดูดไปกินเนะืสัตว์ทำไมกินนะเราว่าไปกินสัตว์ต่อยกินไะด้เรื่อยงั้นเรานี่กินศพกินอะไอยู่เยอะเลยนะ กินซับอย่างเราไปกินเป็ดกินไก่กินหมูนะพวกนี้มันก็ไปกินอะไรต่ออะไรไม่ทิงมันของโลกเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ความจริงของร่างกายนะร่างกายเป็นของโลกไม่ใช่ของเราจิตใจนี่เป็นแค่ความรู้สึกนะเป็นตัวผู้รู้สึกจิตใจถ้าจะพูดจริงๆแล้วเป็นคือตัวความรับรู้นะไม่ได้มีตัวมีตนอะไรหรอกจิตใจคือความรับรู้ ความรับรู้ทางตาเรียกว่าจิต ท, ทางตาหรือวิญญาณทางตาความรับรู้เสียงทางหูรงงหเรียกว่าวิญญาณทางหูหรือจิตทางหูความรับรู้เรื่องราวในใจเป็นวิญญาณทางใจนีน่คือจิต ท, ที่รู้อารมณ์ทางใจเงื่อตัวจิตจริงๆไม่ได้มีตัวมีตนอะไรจิตเป็นตัวความรับรู้เท่านั้นเองเมืันเหมือนความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นแค่ความรู้สึก ความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเลยความดีความชั่วความรอบความเกิดความหลงเขาเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งของจิตใจตัวจิตใจเองเป็นตัวความรับรู้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแล้วเป็นแค่ความรับรู้อารมณ์ควานรับรู้อารมณ์ทางตาเรียกว่าวิญญาณทางตาหรือจิตทางตารับรู้อารมณ์ทางหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นวิญญาณทางจมูกลิ้นกายใจ ทางหูในความรับรู้ลองไปดูถ้าเราเห็นถึงตัวความรับรู้แล้เพราะว่าตัวความรับรู้ก็ไม่ใช่เรานะความรับรู้ไม่ใช่ตัวเราพอจะเห็นความรับรู้ไหมถ้าเราเรียกว่าจิตนะเราก็ไปวาดภาพมนาะเป็นอะไรเป็นดวงดวงสักอย่างหนึ่งนะเราวาดภาพไหมทําไมเรียจิตเป็นดวงดวงจิตมันเป็นดวงดวงหรือจิตไม่ได้เป็นดวงดวง ดวงดวงเป็นลักษณะนามที่ใช้เรียกเท่านั้นเองเหมือนช้างเรียกเป็นเชือกเชือกนะหรือว่าอยู่กันหลายตัวเรียกเป็นโขลงๆงอย่างเนี้ยก็เรียกว่าเป็นคนเป็นตัวเป็นคนคนสามคนสี่คนนะจิตก็จริงจริงก็เป็นแค่ความรับรู้นะเราเรียกจิตแต่ละอันแต่ละอันว่าเป็นดวงดวงก็เท่านั้นเอง ที่จริงจิตไม่ได้มีอะไรเลยนะถ้าเข้าใจถึงขีดสุดแล้วจิตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาแค่ความรับรู้งั้นอย่างถ้าเราพราาอนาจะเป็นพระอรหันต์นะเราเป็นความรับรู้ที่บริสุทธิ์เท่านั้ความรับรู้ที่ไม่โง่ในขณะที่จิตของพวกเราเนี่ยเป็นความรับรู้ที่ไม่บริสุทธิ์เป็นความรับรู้ที่ยังโง่เขลาอยู่มันก็เลยไปรู้สึกว่าไอ้ความรับรู้เนี่ยคือตัวเรานะ ร่างกายนี่ก็เป็นของเราเป็นบ้านให้จิตอยู่เนี่ยถ้าโง่มากกว่านี้ก็รู้สึกว่าร่างกายคือตัวเราขยายความเป็นตัวเราจากจิตออกไปที่กายด้วยนะะขยายของเราเออกไปทั่วโลกเลยนี่โลกของเรานะบางประเทศไม่อยากเป็นเจ้าโลกอยากได้ทรัพยากรประเทศไหนก็ยกทัพไปยึดเขาอะไรไปแย่งเขาอะไนี่โลกนี่ของเรา เมื่อก่อนพวกตะวันตกนะเห็นพวกตะวันออกเห็นพวกแอฟริกามีคุณค่าเหมือนสัตว์เท่านั้นเองอยากได้อะไรมึงเขายกกําลังเข้ามาแย่งเอามายึดเอาอย่างเมืองจีนนะ่ต้งสิบกว่าชาติเข้าไปรุมเถือนะเขาไม่ได้เห็นเนี่ยพวกกิเลสแรงๆนะไม่เห็นคนอื่นเป็นคนหรอกนะนเห็นว่าเป็นทรัพยากรที่ไปช่วงชิงไปจับคนไปเป็นทาสเนี้ย ไม่ได้เห็นคนอื่นเป็นคนเห็นคนอื่นเป็นแค่เครื่องจักรเครื่องกลอะไรเหมือนหมาเหมือนแมวเหมือนวัวเหมือนควายอะไรอย่างนี้พอพัฒนาจิตใจขึ้นมาก็เห็นคนอื่นก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนเหมือนกันถ้าเราภาวนานะใจเราจะค่อยๆลดลากความเห็นแก่ตัวไปลดลากความเห็นแก่ตัวถ้าไม่ภาวนาความเห็นแก่ตัวมันก็รุนแรง สมบัติในประเทศยังไม่พอเลยเที่ยวยึดประเทศอื่นต่ออะไร่าเงี้ยเห็นแก่ตัวเงั้นเราดูไปนะตัวเราจริงจริงไม่มตีตัวเราไม่มีเราจะบ้าคลั่งเที่ยวหาอะไรต่ออะไรมากมายทําอะไรนักหนาตัวเราอย่างเอาไม่รอดเลยยังอยากรวยมีเงินสักล้านยนุลหรือสิบล้า น, ย, นยุลเดี๋ยวนี้น้อยไปแล้วนะคนจีนรวยมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านแนะบางคนนะไม่ใช่ทุกคนหรอก ถ้าทุกคนมีเงินหมืนล้านเนี่ยไม่มีความหมายเลยเหมือนแบนโกงเตกแล้วเพราะไม่มีความหมายอะไรแล้ค่ยดูไปเรืยนะรู้สึกในกายรู้สึกในใจใจเราแค่ความรับรู้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาร่างกายก็เป็นแค่บ้านที่อาศัยอยู่ของจิตใจบ้านนี้เราเรียกว่าบ้านของเรา สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นของเราก็ต้องคืนเจ้าของเดิมคือคืนให้โลกไปเหมือนบ้านที่เราอยู่เนี่ยบ้านทุกวันนี้ที่เราอยู่เรารู้สึกบ้านของเราสุดท้ายเราไม่ได้อยู่คนอื่นก็มาอยู่แทนหรือไม่ก็บ้านพังไปซะก่อนมันไม่มีของเราไม่มีตัวเราที่แท้จริงกระทั่งจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเป็นแค่ความรับรู้วรวมเท่านั้นเอง เนี่ยค่อยเรียนค่ยรู้ไปนะค่อยละความเห็นผิดไปค่อยทอดถอนความยึดถือว่านี่คือตัวเรานี่คือของเราถอนออกไปพอถอนแล้ปัญญาแจ่มแจ้งนะรู้ว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีแล้วใครทุกขันห้ามันทุกข์ไม่ใช่เราทุกนะข์นะขันห้ามเป็นตัวทุกข์งันร่างกายเป็นตัวทุกข์ความรู้สึกสุขทุกข์มันก็เป็นตัวทุกข์ ความรู้สึกดีชั่วก็เป็นตัวทุกข์ความจำได้หมายรู้ก็เป็นตัวทุกข์อันนี้เราเป็นปัญญาขั้นสูงขึ้นไปแล้วค่อยๆเรียนทีหลังสุดท้ายได้เห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยเราจะปล่อยวางจิตลําพังการเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยยังไม่ปล่อยวางนะยังไม่ปล่อยวางอย่เห็นร่างกายไม่ใช่เราอย่ายังไม่ปล่อยวางร่างกายนะเหมือนเห็นบ้านเนี่ยบ้านไม่ใช่ตัวเรานะ แต่บ้านเป็นของเราไม่ยอมปล่อยยังหวงบ้านอยู่มีรถเจิก์ก็รถเนิ์ของเราหวงรถยนต์อยู่ใช่มงั้นลำพังปัญญาในขั้นโสดาบันเนี่ยยังไม่ปล่อยวางขันห้านะยังรู้สึกว่าเป็นของเราเป็นตัวไม่ใช่ตัวเราแล้วละ่ะแต่ว่าเนี่ยเราหวงเรารักใคร่หวงแหนไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีที่ไหนเลยนะแต่ว่าเรามาครอบครองอยู่ยังหวงยังเสียดายอยู่ คล้ายๆรู้ทันว่าร่างกายหรือความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายนี่เป็นสมบัติของโลกเรายืมโลกมาใช้แต่เรายืมเข้ามาใช้แล้วเราชอบอ่ะเราไม่ยอมคืนเจ้าของเราหวงนั้นพระโสดาบันเนี่ยยังหวงขันห้าอยู่นะยังไม่ปล่อยวางขันห้าเรายังหวงอยู่รู้อยู่ว่าเป็นของยืมโลกมาใช้แต่หวงเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังดีมันนำความสุขมาให้ ถ้าเราภาวนาะต่อไปแล้วเรารู้ความจริงว่าขันห้ามันเป็นตัวทุกข์นะร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์อย่ยทําไมเราต้องขยับตัวไปมาเนี่ยเราขยับตัวหนีความทุกข์นะต้องขยับต้องกระดุกกระดิกเนี่ยหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาทําไมต้องกินข้าวนะมันทุกข์นะมันหิวก็ทุกข์ใช่ไหมอิ่มเกินไปก็ทุกข์กินแล้วไม่ขับถ่ายก็ทุกข์เนะนี่ยความทุกข์อยู่เต็มร่างกายไปหมดเลย พอสติปัญญามันเห็นความจริงเพราร่างกายเป็นตัวทุกขนะ์นั้นมันก็หมดความยึดถือกายเพราะมันจะยึดทําไมมันตัวทุกข์มันไม่ใช่ของดีคล้ายๆเราเห็นว่าเราคลยเรายืมบ้านนี้เข้ามาอยู่นะเรารู้ว่าเราเช่าบ้านเขาไม่ใช่บ้านเราหรอกบ้านนี้ถูกตรวกกินหมดแล้วบ้านจะพังแล้ะหรือว่าซ่วมก็ตันเหนะม็นไม่หมดแล้ะอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ต่อไปไม่ได้ใจก็ยอมทิง้งบ้านนี้ไม่เอาแล้ เนี่ยไปหาบ้านใหม่อย่างพระนาคาเนี่ยเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์นะก็เลยทิ้งไม่ไม่ยึดกายแล้วจะไปหาบ้านใหม่บ้านใหม่อยู่ในพรหมโลกะไม่มีร่างกายเหม็นเหม็นหยากหยาบอย่างนี้แล้วเป็นบ้านที่สวยกว่านี้ละเอียดกว่านี้สะอาดกว่านี้เ น, นี่ยเพราะว่ายัาง ย, ยยึดถือจิตอยู่จิตต้องมีบ้านอยู่ะคือจิตต้องอยู่อาศัยในภพก็พยายามหาภพที่ดีภพที่สุขที่สบาย ใจของผ้านาคานะยังอยากได้พพที่ดีอยู่นะถ้าเราพาวนาต่อไปเราเห็นมีปัญญาแทงตลอดนะจิตนี้คือตัวทุกจิตนี้ตัวทุกแล้วจิตจะไปอยู่ในภพไหนมันก็ทุกหมดเลยมันไม่ใช่ว่าบ้านหลังไหนดีบ้านหลังไหนไม่ดีนะบ้านจะดีวิเศษแค่ไหนก็ตามเถอะไอ้เจ้าของบ้านคือจิตตัวนี้มันไม่ดีซะแล้วนะนะมันไม่มีความสุขซะแล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีความสุข มันเลยไม่อยากอยู่ที่ไหนเลยนะมันคลายความยึดถือในตัวจิตออกไปพอหมดความยึดถือในจิตอย่างเดียวจะไม่เหลือความยึดถืออะไรในโลกอีกแล้วนะในขันห้าก็ไม่ยึดอะไรอีกต่อไปแล้วงั้นทําเมไร่เห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะโลกทั้งโลกไม่ใช่เราถ้าเมืไร่เห็นว่าจิตนี้คือตัวทูกโลกทั้งโลกเป็นตัวทูกจิตจะทิ้งโลกเลยเข้าสู่ น, นิพพาน การที่เราภาวนาจะเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์เห็นจิตใจเป็นทุกข์ไม่ใช่การมองโลกแงร่ร้ายเพราะจริงๆมันทุกข์จริงๆคนโง่ต่างหากไม่เห็นพอเราเห็นแล้วจิตมันคลายออกจิตมันทิ้งออกไปนะจิตกลับไปสัมผัสความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่ใช่ความสุขที่เป็นภพอันหนึ่งที่จิตเข้าไปสร้างแล้วจิตเข้าไปอยู่นะเป็นความสุขของพระนิพพานนะนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยากนะสิ้นความปรุงแต่ง สิ้นความอยากเรียกว่าวิราคะสิ้นความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารสิ่งอะไรที่เป็นชื่อของนิพพานนั่นน่ะเป็นวิสังขารไม่มีความปรุงแต่งสิ่งที่เป็นความปรุงแต่งก็คือขันห้านั่นเองเมสิ้นขันห้าสิ้นขันไปด้วยเมสิ้นขันไปด้วยก็คือสิ้นถูกไปด้วยนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นกิเลสสิ้นกวนริ้นรนของจิตใจสิ้นขันสิ้นถูก เป็นสภาวะที่สหาดบริสุทธิ์นะเป็นสภาวะที่เราเข้าไปสัมผัสแล้วเรารู้สึกเลยว่าโลกนี้ไม่มีอะไรจริงเลยโลกนี้ไม่ได้เรื่องเลยนิพพานนี่แหละเป็นของจริงแต่นิพพานก็ไม่ใช่ของเราอย่างพระพุทธเจ้าเจอพระนิพพานเป็นคนแรกแล้วท่านตายไปแล้วท่านปรินิพพานไปแล้วนิพพานก็ยังอยู่ไม่ใช่พระพุทธเจ้า เก็บนิพานตามใส่กระเป๋าใส่ย่ำเอาไปด้วยไม่ได้ไปไหนอยู่ต่อหน้าเรานี่เองถ้าเมื่อไหร่ใจละหมดความอยากนะเราจะเห็นนิพานที่อยู่ต่อหน้าเรานี่เองจิตจะหมดความอยากเสมอว่าจิตมีปัญญาแก่กล้าเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่เป็นตัวทุกข์นะถ้าเห็นกายเห็นใจเป็นตัวทุกข์เรื่องว่ามีปัญญาถึงขีดสุดแล้วมีปัญญาในขั้นโลกุตตะระปัญญา เห็นแจ้งอริยสัจแล้วว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์มันจะวางแล้จะไม่เปลี่ยนไหวใจเกิดอีกและ้นะชีวิตจะมีความสุขที่สุดเลยนะไปฝึกนะค่อยๆเรียนไปเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนะเบื้องต้นก็เห็นเขาไม่ใช่ของเราต่อไปก็เห็นเขาไม่ใช่ตัวเรานะต่อไปก็รู้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเขาคือตัวทุกข์ ถ้าเข้าถึงตัวทุกข์เมื่อไหร่ก็เขาจะวางลล้วไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่ยังเป็นตัวสุขอยู่หรือสุกบ้างทุกข์บ้างอยู่ยังไม่วางยังไม่วางก็ยังทุกข์อีกนั้นปัญญาเป็นขั้นๆไปนะรีอถ้า ก, ก็เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะต่อไปก็เห็นนะมันเป็นตัวทุกข์อเไรอย่นั้นนะผลละนิมนต์ขันฉันพัตฐาน เชิญพวกเราไปทันช้าเชิญกรรมการ